เคยเข้าคอร์สกันบ่อยัหมใครเพิ่งมาครั้งแรกมีไหมมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมครั้งแรกยกมือสินอกนั้ น, นี้เคยเข้าแต่เป็นคอร์สที่อื่นใช่ไหมงั้นก็ขออนุโมทนากับทุกๆคนนะการที่เราตัดสินใจมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ย ถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของชีวิตเหมือนกันคือถ้าเราใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยไปในปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลามาศึกษาปล่อยให้ชีวิตมันเลื่อยเปื่อยแล้วชีวิตที่เลื่อยเปื่อยเนี่ยมัน ถ้ามองในแง่คนอื่นมองในแง่คนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ เ, เลือดเปื่อยหรอกอาจจะมีสาระอะไรของเขานาแหละแต่เป็นสาระแบบแบบหนึ่งแบบทางโลกโลกมันมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าไม่หันไม่หันมาดูไม่หันมาศึกษาแล้วเรียกว่าเสียของ ยุคนี้เขากลัวเสียของใช่ไหมเราก็เนี่ยเหมือนมีของอยู่เนี่ยร่างกายและจิตใจของเราที่ติดตัวมาตั้งแต่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหมือนเป็นของมีค่าร่างกายก็มีค่าต้องรักษาเอาไว้จิตใจก็มีค่าเพราะว่าจะสุขจะทุกข์ก็เพราะจิตใจนี่แหละแต่เรา ชีวิตที่เกิดมาเราไปศึกษาเรื่องอื่นไปศึกษาวิธีที่จะทํำยังไงที่จะให้ได้เงินมาวิธีที่จะทํำยังไงที่จะให้ได้เกียรติยศมากๆมีชื่อเสียงมากๆมีทรัพย์มีเงินมีของมาบํารุงบําเรอในแง่ของวัตถุ แล้วเราก็จะพบฉากฉากหนึ่งที่ทุกคนจะจะต้องพบก็คือฉากที่ต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่พร้อมทำใจไม่ได้ต้องทิ้งวัตถุต่างๆต้องทิ้งคนที่เคยคบหากันต้องทิ้งคนที่อยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันทิ้งเพื่อนทิ้งหมด ถึงเวลานั้นเราอาจจะไม่เป็นไรฉันทาใจได้แต่ถ้าไม่เคยมาศึกษานะก็มักจะทิ้งโลกนี้แบบทาใจยังไม่ได้ตอนนี้เรามาศึกษาดูว่าก่อนที่เราจะทิ้งจากโลกนี้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจากโลกนี้ไปเราเรามีความพร้อมแค่ไหนแล้วก็มีเวลาศึกษาอยู่แค่ชีวิตช่วงนี้ที่เหลืออยู่ ที่เกิดมาเนี่ยกว่าปีคงกว่าปี50กว่าปีบางคน60 70เห็นมีบางคน80แล้วใช่ไหมนั่นคือเวลาที่ผ่านไปแล้วอ๋อคือไ ม, ไม่ได้แล้วด้วยเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เวลาที่ทว่าเนี่ยถ้าปล่อยไปอีกไม่หันมาใส่ใจหรือว่าไม่มีคนมาเปิดโอกาสยอย่างโยม นิ่งๆเปิดโอกาสให้เราได้มาศึกษาตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาเปิดโอกาสให้เราได้ใช้เวลาใ น, ในการมาศึกษาสิ่งที่จำเป็นจริงๆสิ่งที่จำเป็นรองลงไปเนี่ยเราศึกษามาแล้วและเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็มีความรู้ด้านนั้นพอสมควรแล้วใช้ชีวิตหาทรัพ สมบัติมาเอื้อกับความเป็นอยู่ของตัวเองแต่ละคนเนี่ยพอสมควรแล้วแต่ยังยังเหลืออยู่เรื่องเดียวนี่แหละเรื่องที่ทำยังไงที่เราจะอยู่กับโลกนี้โดยมีทุกน้อยลงจนกระทั่งทุกหมดไปเลยแล้วทิ้งโลกนี้ไปโดยที่ไม่ทุกไม่อะไรอาวรณ์ก็มาศึกษาดูว่าเรื่อง ที่จะมาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องยอมรับแล้วว่าผู้ที่สอนเรื่องนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกในยุคนี้ที่ท่านรู้เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกต่อสร้างบา ร, รมีมาเสียสองขยกระแสนกับเคด้ินคบนี้ไหเสียสองขยกระแสนกับมันเวลายาวนานมากนับตัวเลขไม่ทวนนะ อสงไข่ก็แปลว่านับไม่ทวนอะแปลว่าไม่สงไข่เนี่คือมาจากบาลีว่าสังขยาสังขยาไม่ใช่ขนมนะสังขยาเป็นภาษาบาลีแปลว่าการนับอสังขยาพอคนไทยเรียกก็แปลกลายเป็นอสงไข่นับไม่ทวนนับไม่ทวนเนี่ยไม่ใช่นับนาทีไม่ทวนไม่ใช่นับชั่วโมงไม่ทวนไม่ใช่นับปีไม่ทวนนับกลับไม่ทวนรู้จักคําว่ากลับไหม ไม่ใช่กลับข้าวนะกลับนี่คือจักรวาลเกิดขึ้นแล้วก็แตกแตกไปโลกนี้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งของจักรวาลโลกนี้เกิดขึ้นมาก็แตกไปด้วยพร้อมกันไปด้วยเรียกว่าหนึ่งกลับนับปีไม่ทวนมีพระเคยสงสัยถามพระพุทธเจ้ากลับหนึ่งมันยาวนานเท่าไหร่กี่ปีพระเจ้าก็โอ้จะทำยังไงดีก็สมมติมีหินแท่งทึบ สูงหนึ่งโยดยาวหนึ่งโยดกว้างหนึ่งโยตคิวบิกโยด1หนึ่งโยต น, นี่สิบหกกิโลเมตรนึกดูสิก้อนหินแท่งทึบนะั้นไม่มีรูพรุนไม่มีไม่มีรอยแตกร้อยปีมีเทวดาเอาผ้าทิพย์มาลูบครั้งหนึ่งผ้าทิพย์ดูนะไม่ใช่เอากระดาษทรายมาขัดนะแล้วก็หินนั้นนะ่ะไม่ได้สูญสลายหรือว่าไม่มีการกร่อน ด้วยอ ย, อย่างอื่นเลยก่อนด้วยแค่ร้อยปีเทวดาเอาผ้าทิพมลุจนกว่าหินนั่นจะเฮี้ยนหนึ่งกับนับปีไม่ทวนใช่ไหมไม่รู้จะนับยังไงเลยเนาะพระพุทธเจ้าเนีสร้างบา ร, รมีมาสอสงไขยแล้วก็นับคือนับไม่ท้วน4ครั้งแล้วนับท้วนอีกครั้งหนึ่งคือได้แสนกับแค่นับทวนก็แย่แล้วใช่ไหมพวกเราเนาะท่านสร้างบา ร, รมีมาเนี่ย เพื่อที่จะมารู้เส้นทางที่จะพ้นทุกข์แล้วก็มาบอกต่อท่านรู้แล้วแล้วก็บอกต่อแล้วก็สั่งสาวพวกทั้งหลายว่าให้บอกต่อวันนี้เนี่ยวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เมื่อลิอ น, นี้จะเป็นเวลาที่เรามาเรียนเรียนในสิ่งที่พระเจ้าฝากเอาไว้ให้บอกต่อเพราะเป็นสาระสําคัญ สำหรับสัตว์โลกถ้าไม่รู้สิ่งนี้แล้วก็ต้องวนเวียนไปอีกนับอสงไขยนับไม่ทวนความรู้ชุดนี้เนี่ยความรู้ที่จะออกจากโลกหรือออกจากทุกเนี่ยไม่ได้มีมาอยู่ตลอดจะอยู่เฉพาะจะมีมาเฉพาะตอนที่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาความรู้ชุดนี้จึงจะมีการบอกต่อขึ้นมาก่อนหน้าที่พระเจ้าจะมาอวดช่วงนั้นเนี่ยคนก็ทุกอย่างนี้แหละ ทุกแล้วก็เวียนไปเวียนมาเวียนเกิดเวียนตายตายไปพร้อมกับความทุกทุกแล้วก็ต้องเกิดมารับทุกต่อใครไม่เชื่อเรื่องเวีเวยนว่ายตายเกิดมีไหมทุกคนเชื่อนะเรื่องเวียนว่ายตายเกิดตายไปแล้วพร้อมกับความไม่รู้ความไม่รู้นั้นก็พาเกิดต่อตอนนี้เราจะทำความรู้ให้เกิดขึ้นแล้วความรู้เบื้องต้นคือความรู้ตัวที่เราต้องฝึกนี่นะความรู้ตัว รู้ตัวที่ว่าเนี่ยไม่ใช่รู้ตัวอื่นสิ่งที่เราจะมารู้ตัวคือขอบเขตของมันนะหลักในการที่เราจะมาฝึกครั้งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรเคยได้ยินคานี้หสติปัฏฐานสูตรคือฐานที่ตั้งของสติสติแปลว่าความระลึกได้หรือความรู้ตัวความรู้ตัวในที่นี้เนี่ยท่านตรัสไว้มี ฐานที่ว่านี่นะมีอยู่สี่ฐานรู้กายรู้เวทนารู้จิตหรือรู้ธรรมสี่อย่างจึงจะเรียกว่ามีสติในแง่ที่ว่าจะฝึกเพื่อให้เกิดปัญญาไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ใช่สติว่าชั้นกำลังขับรถชั้นกำลังนั่งถ้ายังชั้นกำลังนั่งอยู่เนี่ยนะยังไม่ใช่สติในข้อใดข้อหนึ่งนี่เลยเราคิดว่าเรารู้ตัวว่าเรานั่งอยู่เนี่ย น่าจะใช่แล้วนะหรือ <c oughs> ไม่ใช่มีสติก่อนสตาร์ทขับรถแล้วรู้ตัวว่าจะไปไหน <c oughs> ก็ยังไม่ใช่นะแสดงแสดงว่าสติในความเข้าใจของเราเนี่ยยังไม่เข้าขั้นที่พระเจ้าตัดเอาไว้เลย <c oughs> เราจะมาเรียนเรื่องนี้แหละว่าสติที่ว่าจะเข้าขั้นที่ว่าให้เกิดปัญญาให้ทุกน้อยลงจนถึงกระทั่งที่ว่าทุกหมดไปเนี่ยทากันยังไงนี่แหละ เป็นเรื่องสำคัญแค่เรื่องสตินี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องต้องทำความเข้าใจกันใหม่สติในแง่ที่เราจะฝึกนี่นะได้บอกแล้วว่าเราจะฝึกตามตามแง่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรที่ว่าสติปัฏฐานสูตรในในคำสอนของพระองค์ในเรื่องนี้เนี่ยท่านบอกว่าให้ระลึกอยู่สี่อย่าง ดูกายดูเวทนารู้จักเวทนาใช่ไหมกรรมรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจิตจิตในที่นี้ก็คือราคะโทสะโมหะความฟุ้งซ่านความผลผดผูกต่างๆส่วนธรรมะนี่ก็คือเรียนรู้กระบวนการกระบวนการของทางจิตจิตที่ดีเป็นอย่างไร จิตที่ไม่ดีที่เป็นตัวขัดขวางมีอะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นนิวร์มันประมาณี้ชีวิตนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างมีแยกเป็นอาญาตนาหกก็ได้แยกเป็นขัน5ก็ได้เรื่องของธรรมะเนี่ยนะเป็นชุดๆเรียนเป็นชุดแต่เรียนจิตเนี่ยเรียนเป็นตัวตัวเป็นกิเลสเป็นตัวตัวดูราคะเกิดราคะดับโทสะเกิดโทสะดับ ความหลงเกิดขึ้นรู้ตัวรู้ตัวขึ้นมาความหลงก็ดับฟุ้งซ่านไปแล้วก็หดหู่เรียนเป็นคู่คูนะ่นี่เราจะเรียนท่านแบ่งในสติปัฏฐานเนี่ยนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเริ่มจากกายเป็นต้นไปแล้วแต่จริตนะแล้วแต่จริตคนเราเนี่ยจะมีจริตสําหรับทํากรรมฐาน รู้จักกรรมฐานใช่ไหมเคยได้ยินคำว่ากรรมฐานนะกรรมฐานมีอยู่สองแบบกรรมฐานอย่างแรกเรียกว่าสมถกรรมฐานเคยได้ยินคำนี้นะสมถกรรมฐานแปลว่าการทำเพื่อให้เกิดความสงบทางใจกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคือการกระทำทำยังไงให้เกิดปัญญาวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งให้เกิดความรู้แจ้ง ที่เราข้อคอนครั้งนี้เน้นในเรื่องของวิปัสสนาสมถะเข้าใจว่าเราคงจะเคยทำกันอยู่ทำความสงบทางใจเคยสวดมนต์ที่บ้านกันไหมเคยนั่งสมาธิกันไหมเดินจงกรมอะไรเนี่ยนะไม่ต้องประจําก็ได้เคยเคยทํากันอยู่เนะเคยทําความสงบใจสงบใจเนี่ยบางทีเขาด่าเรามาโกรธเขาอยู่แล้วบอกว่าไม่เป็นไรบางทีเขาอาจจะไม่ตั้งใจ คิดแค่นี้ก็คือทำความสงบใจให้เกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นแล้วพยายามทำยังไงก็ได้ให้ความโกรธนั้นสงบลงนี่เรียกว่าทำสมถะเกิดราคะขึ้นมาแล้วเนี่ยรักเข้าไปแล้วจะไม่ได้มีคู่แล้วรักไม่ได้ห้ามใจนี้ให้สงบจากราคะอย่างงี้นะนี่เรียกว่าทำสมถะคือทำอยังไงก็ได้ให้ไอราคะเนี่ยสงบลงไปทำไม่ได้ยังงี้มันผิดศีล บอกตัวเองสอนตัวเองแล้วไอ้สิ่งที่คิดอยู่นั้นสงบลงไปแล้วที่เราโกรธเขาอยู่เนะี่ยเขาอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้นะจริงๆแล้วเขาเองก็น่าสงสารนะบอกตัวเองอย่างนี้เรากำลังทำความโกรธให้สงบลงขณะนั้นกำลังทำสมถะคือกิเลส อ, อะไรก็ได้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะแล้วทำให้มันสงบลงไปเรียกว่าทำสมถะแต่วิปัสสน า, ามิจะทาอย่างนั้น วิปัสนาชื่อบอกแล้วว่ารู้แจ้งดังนั้นต้องเริ่มด้วยตัวรู้ขึ้นมาก่อนสมถะจะมีจะมีมากมายวิธีทำสมถะเนี่ยนะที่เขาแบ่งเป็นกรรมฐาน40เ่เคยได้ยินไหมกรรมฐาน40อย่างเริ่มตั้งแต่อนุสติสิบ จเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติศีลานุสติเคยได้ยินไหมเนี่ยคำคำอย่างนี้นะก็คือกรรมฐานมากมายเลยที่ทำให้จิตสงบลงได้